วันนี้เป็นวันเสาร์ที่3 ม, มกราคมพุทธศักราช2569เป็นวันพระคือวันธรรมสวัสวนะวันฟังธรรมวันศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดมากผลขึ้นมาตามลำดับเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปเพื่อสร้างความสุขให้มีเพิ่มมากขึ้นจนเต็มอยู่ในหัวใจไปตลอดเวลาวันวัน น, น, นี้วันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมให้ หยุดภารกิจการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเป็นเวลาหนึ่งวันคำหนึ่งคืนเพื่อที่จะได้เอาเวลานี้มาบำบัดทุกข์บำลุงสุขให้แก่จิตใจเพื่อจิตใจจะได้มีความสุขมากขึ้น มีความทุกข์น้อยลงและหมดไปในที่สุดจำเป็นที่จะต้องมีการกระทาที่เรียกว่าหน้าที่ของชาวพุทธแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดหน้าที่ให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความขาลบเรื่อมใส ในพระรัตนตรยัยคือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ทาหน้าที่ของชาวพุทธเพื่อที่จะได้รับอนิสงส์ได้รับประโยชน์จากการทาหน้าที่ก็คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ของพระนิพพาน mm hmm. เกิดจากการทาหน้าที่ ของชาวพุทธเราในวันพระและวันอื่นๆถ้าเป็นไปได้แต่วันพระนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันที่เราควรที่จะตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยว่าต่อไปนี้ทุกวันพระเราจะหยุดการทำมาหากินหาเงินหาทองหาลาภหายุทหาสรรเสริญหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภาพต่าง เพื่อเอาเวลามาทำหน้าที่เพื่อที่จะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจสร้างความสุขให้เกิดจนเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรต่อไปหน้าที่ของชาวพุทธเหล่านี้คืออะไรก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่ง ก็ให้คือก็คือการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะต้องทาอะไรบ้างเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติหรือกระทาอะไรเพื่อให้ใจของเราหมดทุกข์หมดสุกมีแต่ความสุขความจเจริญเพื่อที่เรา ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้ไปประทำหน้าที่ข้อที่สองคือการปฏิบัติคือเอาคาสอนที่เราได้ศึกษามานี้มาปฏิบัติแล้วถ้าเราปฏิบัติอย่างดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างเต็มที่เราก็จะได้หน้าที่ข้อที่สามปรากฏขึ้นมาก็คือบรรลุธรรมขั้นต่างๆบรรลุธรรมขั้น พระโสดาบันพระสกิด า, าคามีพระอนาคามีพาาระอรหันต์และพระนิพพานตามลาดับนี่คือข้อที่สามของหน้าที่ต้องศึกษาต้องปฏิบัติจนกว่าเราจะได้บรรลุธรรมธรรมตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระนิพพาน mm hmm. เมื่อเราได้ถึงขั้นพระนิพพานแล้ว mm hmm. ก็ถือว่าเราทำหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์แล้ว เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วเราจะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วเราจะอยู่นิพพานไปตลอดอยู่กับปรามังสุขขังอยู่กับบรล ม, มสุขไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อเราได้สำเร็จหน้าที่ของเราแล้วทำหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์แล้วก็เหลือข้อที่สี่ของหน้าที่ของชาวพุทธก็คือ นำนำเอาความรู้ที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุ น, นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปถ้ามีใครสนใจอยากจะเรียนรู้วิธีดับทุกข์ว่าดับอย่างไรวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับใจสร้างได้อย่างไรเราก็เอาความรู้ที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนต่อไปอการทำหน้าที่ข้อที่สนี้ก็เพื่อสงค์ฆาผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่และเป็นการรักษาอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้อยู่ในโลกนี้ไปนานๆการที่พระศาสนาจะอยู่ในโลกนี้ได้ไปนานๆ น, น, นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีทาวรวัตุต่างๆ เช่นมีบทมีเจดีย์มี JD, มพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตา่างสาววลวัตถุต่างๆนี้ไม่สามารถสั่งสอนหรือนําพาผู้ที่ติดอยู่ในกองทุกข์ให้หลุดออกจากกองทุกข์ได้ผู้ที่จะนําพาออกไปได้ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์เท่านั้นพระที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดแล้ว นี่แหละจะเป็นผู้ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้ทำหน้าที่สูงข้อโลกต่อไปได้เป็นเวลายาวนานการทำหน้าที่ของเรานี้ก็จะได้รับประโยชน์สองประการด้วยกันประโยชน์แรกก็คือประโยชน์ตนคือเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เราก็จะได้เข้าถึงพระ น, นิพพานเมื่อเราได้หลุดพ้นแล้วได้ถึงพระนิพพานแล้ว ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เรามีเวลาว่างเราก็เอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่มีศรัทธามีความเนื่อมใสยอยากจะเรียนรู้ต่อไปเมื่อได้สั่งสอนเขาแล้วเขานำเอาไปปฏิบัติเขาก็จะสามารถบรรลุผลที่เราได้บรรลุเช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะได้ เอาความรู้ที่เขาได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินำมาไปถ่ายทอดต่ออีกทอดหนึ่งนี่แหละคือวิธีอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกไปนานๆไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ที่การสร้างถาวรและวัตถุต่างๆสร้างวัดวารามใหญ่โตสร้างให้สวยวิจิตรพิสดารขนาดไหนก็ตาม ถาอวอัลวัตุต่างๆเหล่ า, านี้ไม่สามารถผลิตผ้าอาหารได้ไม่สามารถผลิตผ้าอาริยะบุคคลได้ต้องต้องมีผู้ที่รู้จักหน้าที่ของชาวพุทธที่จะเอาความรู้ที่ตนได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนเท่านั้นที่จะสามารถสั่งสอนให้คนที่ติดในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ได้หลุดพ้นจากกองทุกเหล่านี้ได้ดังนั้นเราอย่าไปหลงประเด็นในการสนับสนุนนะสง้์พระพุทธศาสนาอย่ามุ่งไปสู่การสร้างถาวรวัตถุต่างๆเช่นโบสถ์เช่นเจดีย์ต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นความเจริญของพุทธศาสนาความเจริญของพระพุทธศาสนาวัดอยู่ที่จำนวนของพระอริยบุคคล ไม่ได้อยู่ที่จำนวนของเจดีย์ของโบสถ์ของพระพุทธรูป mm hmm. ถ้ามีพระอริยะบุคคลมาก mm hmm. ก็แสดงว่ามีความเจริญมากเพราะว่ามีผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากพระอริยะบุคคลได้มากขึ้นนั่นเองแต่โบสถ์เจดีย์นี้ดูมีไว้กาบไหวให้เกิดศรัทธาเท่านั้นเองแต่ไม่สอนไม่สามารถสอนธรรมะวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้จิตหลุดพ้นจากกองทุกได้เลยแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าการมีถาวรและวัตถุบ้างก็จำเป็นแต่ขอให้มันเป็นไปด้วยเหตุผล mm. ก็คือวัดก็ต้องมีไว้สำหรับให้มีผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้อยู่ได้ศึกษา mm. ก็ควรจะเป็นวัดที่สงบวัดที่ไม่มีถาวรและวัตถุที่สวยงามเพื่อจะดึงดูดให้คนเข้ามาทเที่ยวมาชมเพราะ การศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้จาเป็นต้องเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกอยู่ห่างไกลจากบุคคลต่างๆไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนี้ไม่ใช่เป็นที่ที่จะสามารถฆ่ากิเลสดับความทุกข์ใจได้แต่กลับจะเพิ่มกิเลสเพิ่มความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกดังนั้นถ้าเราอยากจะอนุรักษ์พระพุทธศาสนา แล้วก็รักษาตัวเราเองให้หายจากความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องมาทําหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบมาให้กับพวกเรา mm hmm. ข้อที่หนึ่งก็คือให้ศึกษาพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรานําำอาไปปฏิบัติซึ่งก็มีหัวข้อใหญ่ๆอยู่สามหัวข้อด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าพระองค์ไหนก็ตาม อามาตัดสรู้ในโลกนี้แล้วก็จะเอาธรรมที่ได้ทรงตัดสรู้สามหัวข้อนี้มาเผยแผ่สั่งสอนพราะเป็นธรรมที่จะนำให้ผู้ปฏิบัติสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้คำสอนของพระเจ้าทุกพุกองค์นี้มีอะไรบ้างก็มีอยู่สามข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือให้ละก า, ารกระทำบาปทั้งปวงข้อที่สอง ให้สร้างบุญสร้างผุ้สนทั้งหลายให้ถึงพร้อมข้อที่สให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์มีแค่สข้อนี้เท่านั้นเองที่พวกเราจะต้องศึกษาต้องทําความเข้าใจเพราะเรายัางต้องมีรายละเอียดอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่ๆเราก็ต้องไปศึกษาในแต่ละหัวข้อว่าต้องทําอะไรบ้างเช่นหัวข้อข้อที่หนึ่งให้ละการกระทําบาปทั้งปวง เราก็ต้องศึกษาว่าบาปคืออะไรบาปก็คือการสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต<ม>การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการการพูดปดโกหก<ม>และการดื่มสุรายาเมลที่เป็นอบายามุกนี่คือบาปหรือการกระทาที่จะไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่น แล้วเมื่อสร้างความทุกข์ให้กับผู้แล้วความทุกข์นั้นก็จะกลับมาหาตัวผู้กระทำเองสังเกตดูเวลาที่เราทำบาปนี้ใจเราจะไม่สบายใจเราไม่มีความสุขใจเรามีความหวาดกลัวหวาดกลัวว่าจะต้องไปรับผลของบาปที่เราได้ทำไว้นั่นเองมีวิบากตามมาทำบาปแล้วใจจะทุกข์ตายไปใจก็จะต้องไปรับผลของการกระทาบาป คือดวงวิญญาณจะต้องไปเกิดในอบายทั้งสี่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาบด้วยความหลงไปเกิดเป็นเปรตถ้าทำบาบด้วยความโลภไปเปิดไปเกิดเป็นนสุรกายถ้าทำบาบด้วยความกลัวไปตกนรกถ้าทำบาบด้วยความอาฆาตพยาบาท <c oughs> นี่คือบาบที่เราไม่ควรกระทำและนอกจากบาปแล้วเรายัางต้องละอบายยามุกด้วย เพราะการเจอบายามุกนี้จะเป็นเหตุที่จะพาให้เราไปทํำบาปได้ง่ายขึ้นนั่นเองอบายามุกก็มีอยู่5ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือการดื่มสุรายาเมา 2. การเล่นการพนัน3าการเที่ยวกลางคืน 4. ความเกียดคร้านและ 5. การครบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรเพราะว่าถ้าเราไปคบคนที่ชอบดื่มสุรา เขาก็จะพาชวนเราไปดื่มสุราถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็ชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวกลางคืนเขาก็จะชวนให้เราไปเที่ยวกลางคืนถ้าเขาชอบความเกลียดคร้านเขาก็ชวนให้เราไปมีความเกลียดคร้านไปกับเขาซึ่งการกระทําเหล่านี้ไม่เกิดรายได้มีแต่รายจ่ายถ้าทําเป็นนิสัยต่อไป ทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะไม่พอใช้เพราะจะไม่มีเวลาไปหาเงินหาทองมามัวแต่มาเสพบบายามุกกันอยู่นั่นเองพอไม่มีทรัพย์สินที่พอใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีไม่ไม่ถูกต้องก็คือไปทำบาปด้วยการไปลักขโมยบ้างไปช่อโกงบ้างไปหลอกลวงผู้อื่นบ้างเป็นต้นซึ่งตัวอย่างเหล่านี้เราสามารถเห็นได้ในสังคมอยู่ในขณะนี้ มีข่าวๆอยู่เรื่อยๆคนที่ชอบไปหลอกเงินของผู้อื่นมาใช้เพราะตัวเองเป็นคนที่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายแบบไม่มีประมาณเงินทองก็ไม่พอใช้แต่ก็ไม่อยากจ ะ, สะแสดงว่าตัวเองไม่มีเงินเพ้าะจอับอายขายหน้าชาวบ้านก็เลยต้องไปหลอกหาเงินจากผู้อื่นมาใช้ต่อไปแล้นในที่สุดก็ต้องถูกจับได้แล้วก็ต้องไปติดคุกติดตารางต่อไป ดัง น, นั้นอย่าไปเสพระบายามุกสุราเวลาดื่มมันก็มีความเสียหายหลายประการเสียหายเสียเสียทรัพย์ข้อที่หนึงก็เสียทรัพย์ต้องเอาเงินไปซื้อสุรามาดื่มสองเสียสุขภาพของร่างกายเพราะมาดื่มมากๆก็จะเป็นโรคตับบ้างตับแข็งอะไรเป็นต้นแล้วก็เสียสภาพจิตเวลาดื่มสุราแล้วจะไม่มีสติยับยั้งการกระทําที่ไม่ดีได้ คนที่ดื่มสุรากับคนไม่ดื่มสุราในคนคนเดียวกันนี้จะเป็นคนเหมือนสองคนเวลาไม่ดื่มสุราจะสุภาพเรียบร้อยจะทําอะไรที่ไม่ทําให้ผู้อ่นเสียหายเดือดร้อนแต่พอดื่มสุราเกิดอาการมึนเมาขึ้นมานี้ความสุภาพเรียบร้อยก็จะหายไปกลายเป็นความอยากคายปรากฏออกมาแล้วเป็นการกระทําที่ทําให้ผู้อ่นเขาเสียหายเดือดร้อนตามมา เช่นในช่วงปีใหม่นี้เขาก็มีการรนรงเมาไม่ขับถ้าดื่มสุราแล้วก็อย่าไปขับเพราะถ้าดื่มแล้วไม่มีสติควบคุมยานยนต์ที่เราขับก็จะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ทำให้เกิดผู้มีเสียชีวิตทรัพย์สินหรืออวัยวะต่างๆได้นั่นเองอบายามุขถึงแม้ว่าเป็นการกระทาที่ยังไม่เป็นบาปแต่ก็ไม่ควรกระทาเพราะมันจะดึงให้พูด เจ็บอบายยมุกนี้กระทำการกระทำบาปได้ง่ายนั่นเองนี่คือบาปที่ผู้เจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราละการกระทําเสียเพราะถ้าเราละได้แล้วความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นนกรกกายไม่ต้องไปตกนรกนะขณะที่อยู่ ชีวิตของเราก็จะไม่มีความทุกข์จากการทําบาปไม่มีความวุ่นวายจากการเสพอบายมุกต่างๆอันนี้คือข้อที่หนึ่งเป็นการกําจัดความทุกข์ในเบื้องต้นกําจัดด้วยการละเว้นการกระทําบาปทั้งปวงเมื่อเราไม่มีความทุกข์แล้วเราก็มาทําข้อที่สองก็คือสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นบุญกุศลนี้เป็นเหมือนอ เป็นเหมือนอาหารของใจดาาเราได้ทำบุญได้ทำทานได้ทำความดีแล้วใจของเราจะมีความสุขใจของเราจะมีความอิ่มเอิบใจนี่เป็นวิธีการสร้างความสุขในระดับต้นสร้างความสุขให้กับใจด้วยการทำความดีต่างๆความดีก็คือการกระทำที่ทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับผู้อื่นไม่เกิดโทษกับผู้อื่นไม่เกิดโทษกับผู้กระทาเอง ทำอะไรแล้วทำให้ผู้อื่นมีความสุขและผู้กัะทาก็ไม่เดือดร้อนอันนี้เรียกว่าเป็นการทำดีไม่ว่าจะเป็นการทำบุญให้ทานก็ดีเ ป, เป็นจิตอาสาไปรับสมัครไปทำงานเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆก็ดีหรือทาความดีกับผู้ที่เราอยู่ใกล้ให้ความเมตตาต่อกันให้อาภัยกันไม่โกรธแค้นโกรธเคือกัน ทำอะไรก็ไม่ทําให้พูดอื่เขาเสียหายหเดือดร้อนแล้วก็ถ้ามีอะไรแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นได้ก็มาแบ่งปันกันไปตามกําลังอันนี้ก็จะสร้างความสุขให้กับใจขึ้นมาทําให้ใจมีพลังมีกําลังที่จะไปทํำภารกิจข้อที่สาคือการซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าจิตใจของเรานี้ยังถูก เครื่องส้องคือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาคร อ, อ, อบงำอยู่ทำใม้จิตใจเราไม่ผ่องใสเบิกบานทำให้จิตใจเรามีเศ ร, ร้ามีความเศร้าโศกเสียใจอยู่เรื่อยๆ เ, ออเราต้องกาจัดเราต้องซักพอกกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้หมดไปจากใจให้ได้ใจของเราถึงจะมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขแบบยั่งยืนถาวร ความสุขนี้ที่เกิดจากการซักฟอกนี้จะเป็นความสุขที่มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกเป็นความสุขแบบชั่วคราวแะระดับที่สองนี้เป็นความสุขอย่างถาวรการซักฟอกจิตใจจึงแบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันซักฟอกแบบชั่วคราวกับซักฟอกแบบถาวรการที่เราจะมาซักฟอกจิตใจได้เราต้องมีเวลา เราต้องมีความสุขที่เกิดจากการทำบุญทำทานเกิดจากการทำความดีแล้วเราเราจะไม่หิวโหวยกับการจะหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองถ้าเรายังเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เพราะว่าใจเราไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มจากการได้ทำบุญทำความดีต่างๆใจเราก็จะต้อง คอยหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดอยู่เรื่อยๆถ้ายังติดอยู่กันหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดในรูปแบบต่างๆอยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการซักพอกจิตใจให้สะอาดได้เพราะการที่จะจะซักพอกจิตใจให้สะอาดได้เราจําเป็นที่จะต้องละการเสพรูปเสียงกลิ่นลดนั่นเองคือเราต้องปฏิบัติเนคขมะควบคู่กับการรักษาสี่ง เร ต, ต้องปฏิบัติศีลเน่ยขมมะก็คือศีลแปดนี่เน่ยขมมะแปลว่าการละเว้นการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสการออกจากกามาสุขเรียกว่าปฏิบัติเน่ยขมมะเช่นญาติโยมที่นุ่งขาวห่วมขาวที่มาอยู่วัดนี่ถือว่ามาม า, มาปฏิบัติเน่ยขมมะกัน จ, จะของดการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นศีลข้อสามก็เปลี่ยนเป็นอัมบบรรมจริยา จะไม่ร่วมหลับนอนกับขับกับใครแม้แต่แฟนก็ไม่ร่วมหลับนอนด้วยถ้าเป็นศีลห้านี้ยังอนุ ญ, ญาตให้ร่วมหลับนอนกับแฟนได้แต่ถ้าเป็นศีลแปนี้เป็นศีลเนคขมมะนี้จะจะไม่ไ ม, ไม่ไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใคร mm hmm. ก็ที่จะได้เอาเวลามาซักพอกจิตใจนั้นเองก็ท mm ี hmm. ่อีกข้อหนึ่งของเนคขมมะก็คือการไม่รับประทานอาหารตามความอยาก รับพระทานอาหารพอให้ร่างกายอยู่ได้ดับความหิวก็พอรับประทานไม่ต้องรับประทานทั้งวันทั้งคืนรับประทานเพียงไม่เพียงถึงแค่เที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันแล้วก็จะระ ง, งับไม่กินอาหารไม่หาความสุขจากการกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มต่างๆจะเอาเวลาที่จะใช้กับการหาความสุขจากการรับประทานอาหารดื่รือเครื่องเครื่องดื่มต่างๆนี้ไปให้กับการซักข้อจิตใจ ไปหาความสุขที่เกิดจากการการซักพอกจิตใจจะดีกว่า น, นี่คือศีลข้อที่6ข้อที่เจดก็คือละเว้นจากการหาความสุขจากการดูมหรสพบันเทิงต่างๆการร้องลาททำเพลงการไปดูหนังฟังเพลงการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆการไปงานต่างๆางานลาตีอะไรต่างต่างอั น, นี้เป็นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะ ละจะไม่ไปไม่ไม่ ไ, มไปเสพแล้วก็ไม่เสริมสวยความงามด้วยนั้นด้วยเสื้อผ้าพรที่วิจิตพิษชาดเสริมสวยความงามของร่างกายหน้าตาด้วยเครื่องน้ำมันน้ำหอมเครื่องสมางต่างๆเป็นต้นเพราะความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบยาเสพติดเมื่อเสพแล้ว จ, จะติดเวลาไม่ได้เสพแล้ว จ, จะทุกข์เราต้องการที่จะเลิกเสพยาเสพติด แล้วมาเสพ UM, ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ปราศ จ, จากความทุกข์ก็ต้องมีเวลาก็ต้องเอเวลาที่เราไปใช้กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆมาให้กับการซักพอกจิตใจข้ทอที่แปดของศินแปก็คือไม่นอนไม่นอนมากจนเกินไปวิธีไม่นอนมากเกินไปก็ต้องนอนมันไม่ไม่นอนมนฟุ้งหนั้นนะไม่นอนมัน เตียงสำราญเตียงที่ให้ความสุขเพราะว่าถ้านอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วซึ่งประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็พอก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆนอนบนเตียงที่มีความสุขมากๆใจก็จะไม่อยากจะลุกถึงแม้ร่างกายจะได้พักผ่อนพอแล้วแต่ใจอยากจะนอนต่อติดกับความสุขที่ไดจากการนอนบนฟูกหนาๆ ก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงด้วยกันจะทําทให้สูญเสียเวลามีค่าไปยังควรนอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่อไว้สําหรับพักผ่อนหับนอนความความเหนื่อยของร่างกายร่างกายเวลาเหนื่อยแล้วนอนบนพื้นไหนก็นอนได้ mm hmm. พอได้พักผ่อนพอแล้วสีห้าชั่วโมงร่างกายก็จะตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันแข็งมันนอนแล้วไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมา ทำหน้าที่ซักพอกจิตใจต่อไปได้วิธีที่จะซักพอกจิตใจขั้นแรกคือซักพอกแบบชั่วคราวก่อนทําจิตใจให้สงบทําให้กิเลสตัณหาที่ครอบครอบงจิตใจสงบตัวลงชั่วคราว<ม>ด้วยการเจริญสติปลูกใจให้ละเลิกยิ้วลอยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานอารมณ์ที่เป็นกรรมฐานเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ดีการดูลมหายใจเข้าออกก็ดี จะดูที่ปลายจมูกก็ได้จะดูที่หน้าท้องก็ได้ที่หน้าท้องเราก็เรียกว่ายกหนอพองหนอที่ปลายจมูกแล้วก็ดูลมเข้าลมออกดูไว้เพื่อฝูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ถ้าใจไม่ไปคิดได้สักระยะหนึ่งใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้แล้วถ้าใจเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่มหาสจาัจใจ ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้คือเป้าหมายแรกของการซักพอกจิตใจรือซักพอกแบบชั่วคราวเพราะการใช้สติควบคุมใจให้หยุดคิดนี้จะทำให้กิเลสตันหาหยุดทำงานเพราะกิเลสจะตันหาความโลภความอยากจะทำงานได้ต้องอาศัยความคิดเป็นตัวเป็นเครื่องมือ ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดให้คิดได้กิเลสตัณหาก็ไม่สามารถแสดงตัวได้พอกิเลสตัณหาไม่แสดงตัวขึ้นมาใจที่วุ่นวายใจที่ทุกข์ร้อนก็กลายเป็นใจที่นิ่งใจที่สงบไปนั่นเองแต่เป็นความสงบชั่วคราวพอกําลังสติที่ควบที่ดึงให้ใจเข้าอยู่ในความสงบนี้หมดกําลังอ่อนกําลังลงใจก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ พอมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาความโลภความอยากต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่มาสร้างความทุกข์สร้างความละวุ่นวายใจให้กับใจถ้าถ้าออกมาจากสมาธิแล้วนะเราก็มาใช้ปัญญาต่อไปมาสักพอกกิเลสตัณหาในขณะที่เราออกจากสมาธิมาเวลากิเลสโผล่ขึ้นมามาสร้างความอยากต่างๆเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่า สิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้นั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นสุขเป็นสุขในเบื้องต้นคืออยากจะได้แฟนเวลาได้แฟนมามันก็มีความสุขแต่พอได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวทะเลาะกันความสุขนั้นก็จะหายไปเพราะว่ามันมันเป็นของไม่เที่ยงมันมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขแบบชั่วคราว เป็นความสุขที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าเรากาลังไปหาความทุกข์กันเพียงแต่ว่าอาจจะมีความสุขมีความสุขหลอกอยู่ข้างหน้าเราแต่ความสุขนี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วความสุขนี้ก็อยากเลิกกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยง มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาเวลาได้มาใหม่ๆมันก็เป็นความสุขพอสิ่งที่เราได้มามันเปลี่ยนไปหมดไปหรือจากเราไปความทุกข์ก็จะเข้ามาทันทีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปสั่งไปควบคุมเขาได้ให้เขาอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปเพียงอย่างเดียวไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะให้ความทุกข์กับเรา เพาเขาเปลี่ยนไปเขาหมดไปแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ถ้าเราไปหาเขามาให้ความสุขกับเราเราก็จะต้องเจอความทุกข์จากเขาไม่ช้าก็เร็ว น, นี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความความอยากในสิ่งที่มันจะทำให้เราทุกข์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอยากจะได้แฟนเดี๋ยวก็ต้องเสียใจกับแฟนทะเลาะกันบ้างไม่เห็นตรงกันบ้าง หรือแฟนเกิดจากไปเกิดทิ้งเราไปก็จะทําให้เราอยู่คนเดียวอยู่อย่างเศร้า้อยเหงยเหงาต่อไปนี่คือการเห็นทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสตัณหาอยากได้นี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นความสุขที่ ย, ยั่งยืนถาวรเป็นความสุขแบบชั่วคราวที่จะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันหมดไปพอมันสิ้นสุดมันหมดไปมันก็จะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจนั่นเอง นี่คือการใช้ปัญญาซักพอกจิตใจเพื่อให้จิตใจนี้สงบอย่างถาวรมีความสุขอย่างถาวรเพราะถ้าเราตัดกิเลสตัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้วใจของเราก็จะสงบจะมีแต่ความสุขเพียงเดียวเพราะตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจก็คือตัวกิเลสตัณหานี้นั่นเองพอเรามีปัญญาสกัดกั้นกิเลสตัณหารู้ทันมัน มันหลอกให้เราไปหาเงินเราบอกเงินก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดหลอกให้เราไปหายศหาตําแหน่งแล้วก็บอกมันก็เป็นทุกข์เพราะเพราะยศตําแหน่งมันก็ไม่แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยวก็อาจจะถูกถูกเลื่องถูกถูกขับไล่ถูกถูกปลดออกก็ได้เมื่อเมื่อถึงเวลาตายไปก็มันก็หมดไปสนรเสริญก็เหมือนกันคนสรรเสริญบางวันเขา เรารักเราชอบเราเขาก็สรรเสริญเราพอวันไหนเขาไม่ชอบเราเขาเกลียดเราเขาก็ด่าเราได้ให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพบางทีเราก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นสุขบางทีเราก็ไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นทุกข์เราไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวมันจะต้องพลิกกลับจากสุขให้กลายเป็นทุกข์ไม่ช้า ก, ก็เร็วอย่างแน่ น, นอน นี่คือการใช้ปัญญาที่กําจัดความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบไม่ต้องดิ้นหล่นอีกต่อไปเราก็ไม่ต้องเจอกับความทุกข์ที่ความอยากจะพาให้เราไปหาใจก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็หมดไปถ้าเราไม่มีความอยากจะเสพลูกเสียงกินลแล้วเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายกต่อไป เมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีความแก่วความเจ็บความตายตามมานั่นเองนี่คือความสงบสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรด้วยการซักพอกด้วยปัญญาเป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรานก็คือละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อเราสามารถทาข้อปฏิบัติทั้งสมข้อนี้ได้แล้ว เราก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอน า, าคามีพระอรหันต์ตามลําดับนะเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเราก็จะเข้าพระนิพพานได้เมื่อเข้าพระนิพพานแล้วเราก็จะไม่กลับไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าหลังจากนั้นเราก็สามารถเอาความรู้ที่เกิดจากการศึกษาจากการปฏิบัติจากการบรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ผู้ที่มาศึกษาก็จะได้สามารถนําเอาไปปฏิบัติและสามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างอย่างแน่นอนนี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พระเจ้าต้องการให้พวกเรามาทําหน้าที่กันอย่างน้อยก็เริ่มต้นที่ทุกวันพระนะวันพระนี้ควรจะปล่อยวางกิจการอย่างอื่นไปให้หมดแล้วหันมาทำทำหน้าที่ของชาวพุทธเราก็คือหนึ่งศึกษาว่าทำคําสอน ศึกษาแล้วรู้แล้วว่าต้องทําอะไรก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติเป็นข้อที่สองปฏิบัติไปจนถึงได้ข้อที่สา็คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเราก็จะสามารถไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้ทอดอึังต่อไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้พวกเรามากระทํากันในวันพระทําประโยชน์ของตอนในเบื้องตอน้นเมื่อประโยชน์ของตอนเบื้องต้นได้สําเร็จแล้วก็ไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไป เป็นการเป็นการอนุรักษ์ศาสนาเป็นการถ่ายทอดศาสนาให้มีอยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องของหน้าที่ของชาวพุทธที่อามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้ว่าเราจะแบ่งเวลาไว้อีกครึ่งหนึ่งโดยประมาณมาให้กับการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการสรักางพออจิตใจนี้จาเป็นที่จะต้องมีเวลาพอสมควร จะต้องนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบให้ได้การที่จะใจจะนิ่งจะสงบในขณะที่นั่งสมาธินี้จะต้องมีสติและลรู้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเช่น mm hmm. อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวหรืออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปหรือถ้ายังดูลมไม่ได้ยังบริกรรมพุโทโธไม่ได้เพราะใจยังคิดมากอยู่ mm hmm. ก็เอาเอาใจที่คิดมากนี้มาสวดมนต์ไปก่อน สวนบทที่เราจําได้สั้นก็ได้ยาวก็ได้แต่ต้องสวดหลายๆรอกสวดไปจนกว่าจะรู้สึกใจเริ่มผ่อนคลายลงจากการคิดปรุงแต่งเริ่มมีสติพอที่จะดูลมได้หรือพุโทโธได้ก็เปลี่ยนมาดูลมแล้วมาบริกรรมพุโทโธต่อไปแล้วก็พยายามอยู่กับลมไปอยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ว่ามีอะไรจะปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่งสมาธิมีเสียงเข้ามาก็อย่าไป ตามรู้ไม่ต้องไปวิพากวิจารเสียงว่าเป็นอะไรมีภาพปรากฏขึ้นมาในใจก็ไม่ต้องไปสนใจมีอะไรอาการของร่างกายปรากฏให้รับรู้ก็ไม่ต้องไปสนใจเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปสนใจให้ผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานไปอยู่อย่างเดียวถ้าอยากจะให้ใจเข้าสู่ความสงบอยากจะให้ใจได้สมาธิได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่จะทำให้ใจมีกําลัง ที่จะสามารถไปซักฟอกใจในขั้นต่อไปคือขั้นวิปัสสนาคือขั้นปัญญาได้ถ้าใจยังไม่มีกําลังไม่มีความสงบไม่มีความสุขนี่จะไม่มีกําลังที่จะไปชําระกิเลสตัณหาด้วยปัญญาได้นี่ก็คือขั้นตอนแรกของการซักฟอกจิตใจแล้วการทําใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้คิดอะไรไม่ให้เห็นอะไรเห็นก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรับรู้เราต้องการให้ใจว่างใจสงบปราศจากความคิด เหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่เหลือแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เท่านั้นอย่างอื่นเราไม่ต้องการไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเพื่อสมาธิเราต้องการสมาธิความนิ่งความสงบเราต้องการพลังของใจพลังของใจก็คือสมาธินี่ถ้าเรามีพลังมีสมาธิแล้วใจเราจะมีพลังที่จะตัดกิเลสได้ถ้าไม่มีสมาธินี่ถึงแม้จะมีปัญญาก็ตัดกิเลสไม่ได้ แล้วนำดากต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันให้มีสติแล้วแล้วก็อยู่กับกรรมฐานที่เราถูกกับเราจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ถ้าไม่ใช้พุทโธไม่ใช้ลมจะใช้อย่างอื่นก็ได้อาจจะไปเรียนจากสำนักอื่นให้ใช้สัมมาหังหรือให้แพ่งดูโครงกระดูกหรืออะไรก็ได้แต่ต้องมีอะไรเป็นอารมณ์ผูกใจไว้อย่านั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วใจจะลอยไปกับความคิดแล้วใจจะไม่สงบแต่ถ้ามีอะไรผูกใจไว้ มีกรรมฐานลูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานได้อย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบแล้วจะเกิดความสุขใจขึ้นมาเรต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันกเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณยสิบนาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกก็ขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหม ถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลามานั่งก็ใช้วิธีเดิมมันก็จะสงบเหมือนวันนี้ได้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากจะไม่ทำให้มันสงบต้องวิธีนั่งที่เราทำในวันนี้นั้นจำวิธีให้ดีถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าเรายังมีสติน้อยก็พยายามฝึกสติในระหว่างวันไปก่อนตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจ ทำภารกิจอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดให้อยู่กับพุโทโธแล้ว อ, อยู่กับร่างกายไปร่างกายทำอะไรก็อยู่กับร่างกายไปแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิจะมีสติมากขึ้นแล้วก็จะสงบได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแลต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเิวหาปุรปาปริกปุรเรนติสากะลัง เอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังตุมหังคิดเปเมวาสมิจตุสภพเปเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยทาไมนิโชติระโสยทาสพิติโยวิวัจันตุสภารุโควินัสตุ มาเตภวะตวันตารายุสุขีทิคายุโกภวะอภพิวะธนสิลิตสะนิจังวุทาปจายโนจตารโหธรมมวัานติอายุวโนสุขังภาลาง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 วิทยุออนไลน์เก้าคลับเฮาส์หนึ่งนากุติสองร้อยหกสิบสามรวมเก้าร้อยสิบห้าค่ะดรมีคำถามหรือเปล่าเชิญครับขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นการสนทนาธรรมกับเพื่อนผมมาครับผมมีข้อสงสัยครับคือทางเพื่อนผมครับเขาบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยครับคนส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติสมาธาิสมาธิจนจิตรวม จนกายดับลหมหายใจดับได้นะครับขั้น4ี่เนี่ยครับเขาเลยบอกว่าปัจจุบันเนี้คนส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นแค่คณิกาสมาธิหรืออุปจักสามาธิครับแล้วก็มาใช้การวิวัฒนาเอาเป็นสุขขาพิปัสกโกครับผมไม่มั่นใจว่าคําว่าสุขขาพิปัสกโกที่เขาพูดถึงเนี่ยพระมหาเประเภทเนี้ยครับเขาไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิระดับละเอียดจริงหรอครับไม่จริงเหรอพาาระอาจาทุก แต่ภาริยะทุกทุกรูปทุกองค์นี้ต้องผ่านสมถะก่อนต้องได้อย่างน้อยฌานสี่ขึ้นไปก่อนครัแล้วถึงจะสามารถไปทางปัญญาไปทางวิปัสสนาได้ครับถ้าถ้าบรรลุก็บรรลุแบบวิปัสสนึกไง น, นึกไปเองคิดไปเองว่าได้บรรลุแล้วเป็นวิปัสโกแล้วครับสุกาวิปัสสโกไม่ใช่หรอกศีล ส, สมาธิปัญญานี่มันเป็นสูตรตายตัวไปเปลี่ยนไม่ได้ครับ สมัยนี้จะตัดสมาธิกันไปหมดจะเอาแค่ศีลศีลก็ไม่รู้จะบริสุทธิ์หรือเปล่าได้ซ้ําไปเพรับก็จะเอาแต่การนึกคิดไปอย่างเดียวเรีกว่าฉันเป็นนู่นฉันเป็นนี่ขึ้นมามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเนื้อคิดหรอกครับอันไม่ต้องไปฟังหรอฟังพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ดูดูพระดูดูดดดครูบาอาจารย์หลวงปู่มัน่นหลวงปู่อะไรนี่ท่านไปนั่งสมาธิกันทั้งนั่งอ่ะครับถ้าไม่ได้ใช้วิปัสสโกอะไรพองท่านหรอครับ ก็คือหมายความว่าสมาธิระดับคณิกะอุเบจรัไม่เพียงพออย่างที่ต่ําสุดคือต้องชานสี่ขึ้นไปถึงจะใช่มันต้องมีอุเบกขาครับแล้วต้องมีกําลังคือต้องเข้าไปได้นานๆอยู่นานๆทีละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงอะไรนั่งแช่อ ย, อยู่งั้นนา น, านถ้าออกมานี่มันจะมีเป็นเหมือนหินน่ะครับกิบบเลส ม, มายุ้ยมาเย้าอะไรนี้มันไม่มันไม่สะเทือนเฉยปล่อยวางได้ อย่าไปฟังฟังคนที่เขาปฏิบัติเนี่ยครับบาอาจารย์สายวัดป่านี้ถ้าไม่มีใครบอกไม่ให้นั่งสมาธิครับนั่นหมาต้องนั่งสมาธิต้องพุโทโธเนี่ยพุโทโธก็ตัวสติที่จะทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาครับถ้าไม่มีพุโทโธไม่มีสตินั่งไปจนวันตายก็ไม่สงบครับเข้าใจเข้าใจละครับข้อสองครับก็อันนี้ก็สงสัยจากที่ได้เรียนถามบาอาจารย์เรื่อง เรื่องที่บอกเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่สามารถาดูลมหายใจแล้วก็ภาวนาพุโทโธได้เขาเลยไปเลือกใช้การฝึกสติปัญสีครับผมก็ไปศึกษาเรื่องสติปัญสีมาครับในหมวดของกายเนี่ยผมพอเข้าใจว่ามันคือการเจริญอน า, ามสัสติเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมถ ะ, ะพิพิพัฒนารวมกันแต่ในแต่เขาบอกว่าเขาไม่ไม่ฝึกกายแต่เขาไปฝึกหมวดอื่นครับอีกสาหมวดที่เหลือเนี่ยปฏิบตัติเรื่องไม่ได้อย่าไปเลือกปฏิบัติ มันข้อสอบเราต้องทำทุกทุกข้อสอบให้ได้ครับต้องผ่านกายให้ได้ก่อนปล่อยวางกายให้ได้ก่อนไม่ทุกข์กับกายแล้วก็ปล่อยวางเวทนาคือทุกขเวทนาให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยไปดูจิตได้ครับดูจิตก็ดูความทุกขในจิตแล้วหยุดความทุกขในจิตนั้นเท่าน no? so ั้นเองครับ like ก็คือเราไม่สามารถจะไปเลือกหมวดอื่นไม่ได้ใช่ครับไม่ใ่คุณจะเรียนปล่อยคุณอยผมผมอยู่อนุบาลผมขอเข้าปล่อยก็ได้ไหมไม่ได้ครับ ม, ม, ม, มันไม่มีทุนมันไม่มีทุนอ่ะมันไม่มีฐานอ่ะมันต้องขึ้นไปเป็นขั้นเป็นตอนของมันไปครับข้อสุดท้ายครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวครับอยากจะเรียนถามครับว่าสมมุติว่าเราโดนคนอื่นกันแกล้งครับแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ตอบโต้ก็คือแต่เราใช้การไปฟ้องศาลอย่างเงี้ยแล้วเขาโดนประมาณว่าเขาโดนลงโทษจากการตัดสินจากศาลอย่างเงี้ยครับอันนี้มันจะเป็นการก่อเป็นก่อกรรมต่อไหมฮะแน่นอนมันทาให้เขาเกิดโทษกับเขาครับ ก็คือถ้าต้องให้อภัยเลยเลยเลยไปแล้วก็เลยไปเลยผ่านไปได้อย่าไปคิดถึงมันจบครับทุกครั บ, รบมีอยากจะถามหมใช่ไหมไม่มีนะมีใครไหม่าถาประจําอยากจะถามหรืเปล่าไม่มีนะ อ, ะอะมีคําถามทางบ้า น, นไหมมีคําถามจากนักกุฏิเจ้าค่ะถ้ากรรมฐานคือข้าวทําไมภาวนาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นยันหลับ ถึงทานข้าวไม่ได้ครับเพราะไม่ภาวนาจริงใจลอยไม่ได้มีกรรมฐานอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นสัปปัญญาก็เลยไม่ไม่เหมือนเหมือนก็ไม่ได้กินข้าวมีข้าวอยู่ไงแต่ไม่ได้ตักเข้าปากนั่งดูดูมันอยู่ในจานนั่นอ่ะมันก็ไม่ได้กินสักทีมันก็ไม่อิ่มต้องตักเข้าปากเที้ยวคืนตักเข้าปากเที้ยวคืนไปกรรมฐานก็ต้องพุทโธพุทโธไปทั้งวันน ถ้าได้ทั้งวันอย่างนี้รับประกันได้นั่งสมาธิจิตรวมได้อย่างแน่ น, นอนคำถามจากนาคุติเช่นกันค่ะการปฏิบัติใช้จิตเป็นวิหารธรรมปัจจุบันศีลห้ายังไม่บริบูรณ์ในขณะที่จิตมีสมาธิจะเห็นจิตที่เข้าไปกระทบขันทั้งห้าเมื่อมีสมาธิมากขึ้นจะเกิดจิตตัวหนึ่งที่มองจิตดวงอื่นๆที่เข้าไปเกาะขันห้านั้น และยังยึดในตัวตนของตนอยู่ขอสอบถามแนวทางปฏิบัติต่อไปครับทำจิตให้สงบก่อนตอนนี้จิตไม่สงบไม่มีกำลังทำอะไรไม่ได้งั้นทำจิตให้สงบก่อนมีสมาธิก่อนแล้วต่อไปก็ใช้การพิจารณาแยกแยะอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นตนอะไรไม่เป็นตนต่อไปคำถามอีท่านจากนากุติเช่นกันค่ะ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบสามสิบปีแล้วได้นั่งลงกราบพระพุทธรูปสามรูปในห้องมีหลวงพ่อโสทรหลวงปู่แหวนและพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่บ้านของแม่หลังจากกราบสามครั้งและเงยหน้าลืมตาขึ้นเห็นพระพุทธรูปทั้งสามองค์ลอยอยู่เหนือองค์จริงกระผมกระพริบตาและลืมตาก็ยังเห็นทั้งสามองค์ลอยอยู่ ขณะนั้นตกใจเล็กน้อยเพราะไม่เคยเกิดจึงหลับตาสักส5ถึงวินาทีและลืมตาอีกครั้งพระพุทธรูปที่เห็นจึงหายไปกราบถามพระอาจารย์ว่าเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นเราอายุประมาณ20สิปลายยังไม่มีความรู้และเกิดศรัทธาอะไรอย่างจริงจังกับพุทธศาสนาเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับก็พอแล้วก็ผ่านไปมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรมาก นอกจากจะทำให้เกิดมีความศรัทธาเรื่องสต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเองคำถามจากทาง YouTube คุณชวนชมค่ะมีสองคำถามข้อแรกภาวนาแบบผสมผสานเป็นวิปัสนาหรือเปล่าคะผสมเหลอเล่ากับสโสดาเา <laughs> <laughs> ไม่รู้ผสมผสานแปลว่ายางไงตอบไม่ได้หรอกไม่ไม่อธิบายให้ละเอียคำถามข้อที่สองค่ะ คนปัญญาอ่อนบรรลุธรรมได้ไหมคะยากบรรลุได้แต่ต้องสร้างปัญญาให้แข็งก่อนถึงจะบรรลุธรรมได้ปัญญาอ่อนก็สามารถฝึกสอนได้สอนไปเรื่อยๆต่อไปปัญญาก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นไปเองแต่จะยากกว่าคนที่มีปัญญาที่ดีอยู่แล้วคําถามจากทาง Facebook คุณธนดรค่ะมีลายศักด์บวชได้ไหมคะบวชได้ไหมครับต้องไปถามอุปชาเลย ว่าท่านต้องการให้มีภาพมีลายสานหรือเปล่าคำถามจากคุณเจอไทยกับเรียนถามครับสิ่งข้อ8หากร่างกาย ม, มีปัญหาเรื่องกระดูกหลังผ้าลองให้หนาขึ้นได้บ้างไหมครับแทนที่จะแข็งบนพื้นหรือเสื้อครับก็พอประมาณประมาณทั้งนิ้วหนึ่งก็ได้ถ้ามีพูกประมาณฟองน้ำหรืออะไรประมาณทั้งนิ้วหนึ่งเพื่อเป็นการรักษาพยาบาลก็ได้อยู่ แต่ไม่ใช่เพื่อให้มันเป็นกความเป็นความสุขให้กับการหลับนอนคําถามของคุณกิศนามฟังธรรมของหลวงพ่อและทํางานไปด้วยเสียงธรรมของหลวงพ่อช่วยทําให้จิตสงบและมีสติ จ, จดจ่ออยู่กับงานที่ทําเวลาทํากิจกรรมอื่นเช่นวิ่งออกกําลังกายก็ฟังเช่นกันเพราะผมไม่ชอบฟังเพลงหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยครับก็ได้ประโยชน์แต่ไม่ได้ประโยชน์มากร้อเอร์เซเพราะว่า การฟังธรรมแล้วการกระทำอะไรไปด้วยเราก็ต้องแบ่งใจไปทั้งสองอย่างฟังธรรมบ้างกลับมาดูกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่บ้างมันก็เลยได้ไม่เต็มร้อยถ้าอยากจะให้ได้เต็มร้อยต้องฟังอย่างเดียวนั่งเฉยๆไม่ทาอะไรเราจะได้ประโยชน์ได้ความสงบมากกว่าคำถามจากคุณชัยสันสานข้อแรกอาการของจิตรวมเป็นอย่างไรครับสองจิตที่รวมเป็นอปนาสมาธิเป็นอย่างไรครับ ต้องทำถึงจะรู้อะไรอธิบายไม่ได้พูดได้ว่ามันนิ่งมันสงบมันสบายมันมีความสุขเหมือ น, นบอกคนตาบอกสีแดงเป็นยังไงสีเขียวเป็นยังไงนี่ยบอกไม่ได้หรอกเอาให้เขาลืมตาขึ้นมาเขาก็ลืมตาเขาเห็นเขาเองก็ му, อ๋อสีแดงเป็นอย่างนี้สีเขียวเป็นอย่างนี้ก็เหมือนการการปฏิบัติความสงบเป็นยังไงความวุ่นวายเป็นยังไงมันจะรู้เองเมื่อเมื่อเมื่อเมืเ่อเมื่อเมื่อเมสงบ คำถามข้อสุดท้ายค่ะเมื่อถอนออกจากอั ป, ปนาสมาธิจิตมีสติตั้งมั่นและความสว่างสวายอยู่ในช่วงที่ควรเจริญปัญญาต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสติที่สมบูรณ์ตลอดเวลาหรื อ, อยังถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ควรจะกลับมาเจริญสติก่อนก็ได้ยังไม่ต้องไปทางปัญญา พราะถ้าเราไปทางปัญญาเราใช้ความคิดแล้วถ้าสติเรายังไม่สมบูรณ์บางทีพอจิตคิดนอกเรื่องนอกราวเราก็า จ, จะไปหยุดมันไม่ได้เฉนั้นเพื่อความปลอดภัยก็ฝึกสติไปให้ชํานาญให้เข้าสมาธิได้ตามทุกเวลาที่เราต้องการเข้าออกจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เนี่ยเรากลั บ, ลบได้ให้เรามีสติมากจนสามารถควบคุมจิตได้ดีแล้ ว, ลวเวลาออกจากสมาธิมาแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไป คำถามจากคุณชาตรีค่ะอวิชา ม, มีตัวมีตนรูปร่างหน้าตาและทำให้จิตไม่รู้ได้อย่างไรครับมันไม่มีตัวตวนะมันเป็นสภาพของความไม่รู้ไงไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจสีไม่รู้ใจลักเรียกว่ า, าวิชาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาพวกเราก็จะไม่มีทางที่จะรู้ได้พวกเราก็จะอยู่ภายใต้ อ, ว, าอาวิชาก็จะบอกให้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นอะไรก็เป็น เป็นของยั่งยืนถาวรเห็นอะไรก็จะให้ความสุขกับเราเห็นอะไรก็จะเป็นของเราไปทันทีแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์<ม>เพราะมันเปลี่ยนได้มันหมดได้มันดับได้เ ป, เป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวตนอันนี้ต้องรอให้มีพระพจ้าเจ้ามาตัดฉลุถึงจะ ม, มาสอนอริยสัจสีกับตายรักให้กับเราได้ถ้าไม่มีก็ต้องเป็นอนวิชชาเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมาเจอพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังอริยสัจสีนะได้ฟังตายเักถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนอวิชชาให้เป็นวิชาขึ้นมาถามหมดค่ะหมดแล้วโอเคเวลาก็หมดพอดีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเทครับ